สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีลบาลินครับหลังจากที่เราได้เฉลิมฉลองวันคืนพระชนการทรงเป็นขึ้นแล้วขององค์พระเยซูคริสต์ที่ปรุงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยทวดของเราเรากลับมาเรื่องราวของชีวิตพระเยซูตอนที่269นะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่269เรื่องทำอภิษฐานของพระเยซูครั้งที่44ี่ โปรดประทานอาหารประจําวันพี่น้องครับเมื่อเราอิทธานคำอิทฐานของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนั้นเราต้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ในทุกวันนี้เรายังมีอาหารรับประทานอยู่เพราะพระเจ้าทรงตอบสนองความจําเป็นของเราในทุกด้านพระเจ้าตอบสนองความจําเป็นของเราในทุกด้านทางด้านกายภาพความจําเป็นที่เราจะต้องกินอาหาร คนส่วนใหญ่นั้นกินอาหารเพื่อตอบสนองความจำเป็นส่วนตัวครับเพื่อให้ร่างกายเราเติบโตเพื่อให้ ร, ร่างกายมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้เกิดความรู้สึกดีให้กำลังชนะความหิวทุกสิ่งที่ผมพูดมานี้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่แท้จริงแล้วการกินอาหารมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นท่านอาคาทูดเปาโลบอก ว, ว่าเหตุฉะนั้น เมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้ขับปลอดฟขังนะครับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่เราจะกินอาหารเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้าพี่น้องข้าพเราควรจะกินอาหารหรือเราควรจะให้การกินอาหารของเรานั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมพระเยโอวายิเรพระเยโอวายิเรคือพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอเสมอให้พระเจ้าได้รับเกียรติทุกครั้งที่เรากินอาหารนั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงสร้างอาหาร และทรงประทานชีวิตให้สิ่งต่างนั้นเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเราขอบคุณพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าครับก่อนจะกินอาหารทุกครั้งครับพระเจ้าประทานกำลังสติปัญญาในการเก็บเกี่ยวให้กับมนุษย์พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราปรุงอาหารและก้มศีรษะก่อนกินอาหารเพื่อขอบคุณพระองค์การกินนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับ ฉะนั้นโปรดระลึกว่าเมื่อเราได้รับอาหารในดๆก็ตามใครเอาของซึ่งเป็นอาหารมาฝากเราก็ตามพี่น้องครับคนที่ประทานอาหารจริงๆให้กับเรานั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและจุดประสงค์ของการกินอาหารของเราเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับพี่น้องครับ เมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพุทธหลายในการวันนี้เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพระเจ้านะครับบางครั้งเราทําเหมือนกับว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการดึงดึงบางเหี้ยนพระเจ้าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นม้านะครับหรือดึงสายควบคุมหุ่นกระบอกนะครับหรือกระตุกให้พระเจ้า ผันมาประทานสิ่งต่างๆให้กับเราอันนี้เป็นการอธิษฐานที่ด้วยท่าทีที่ผิดครับบางคนอธิษฐานผิดเหมือนกับเด็กนิสัยเสียด้วยบอกว่าขอทรงโปรดประทานอาหารแก่ข้าพงค์หลายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะครับคนเหล่านี้ที่อธิษฐานคำพูดเช่นนี้ก็คือเขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ขอทันทีไม่ว่าเขาจะเรียกร้องอะไร พระเจ้าเหมือนกับเป็นพ่อแม่ที่คอยตามใจลูกหรือกับเป็นเครื่องขายของหรือเวนดิ้งแมชชีนนะครับการอธิษฐานแบบนี้ลดพระเจ้าให้ลงมาต่ํากว่าระดับมนุษย์ครับเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าครับพี่น้องเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าการอธิษฐานแบบนี้ทําให้พระเจ้าเหมือนกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่สายด่วนหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วอธิษฐานบางครั้ง อธิษฐานผิดมานานครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหลายในครั้งทีเดียวเมื่อได้อ่านสิ่งที่จําเป็นสําหรับจิตวิญญาณนะครับบทความที่ดีหรือแม้ท่านั่งได้ฟังผมในทุกๆวันจะต้องกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับการอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจาําวันแก่ข้าพุทงหลายในการวันนี้เป็นข้อความแห่งความเชื่อพี่น้องครับเป็นประโยคแห่งความเชื่อ ที่เป็นมากกว่าการขอแซนวิชธรรมดาธรรมดาเพราะอาหารเป็นเป็นคําเปรียบเทียบแล้วกําลังขออาหารนะครับจากพระเจ้าก็หมายความว่าเรากําลังขอพระเจ้าอวยพรการงานของเราเพื่อเราจะสามารถปลูกข้าวได้เพื่อเราจะทํามากินได้ก็เลยนำนำมาซึ่งรายได้เพื่อจะซื้ออาหารแล้วกําลังขอพระเจ้าสรงประทานทั้งต้นเหตุครับก็คือวิธี การที่เราได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของทางกายภาพเพื่อตอบสนองความจำเป็นร่างกายของเราและผลลัพธ์ก็คืออาหารที่เราจะเข้าปากแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำขอพระเจ้าประทานให้กับเราทั้งต้นเหตุวิธีการและผลลัพธ์พี่น้องครับทั้ง process นะครับนี่คือทฤษฎีระบบก็คือขอพระเจ้าทรงประทานทั้ง input process และก็ t p u t ุท ดังนั้นเมื่อเราอธิฐานว่าขอพระเจ้าโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ข้าพงหลายคในกาวันนี้เรากำลังพูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับความจำเป็นของเราเร า, เรากำลังขอพระเจ้าเร า, ากำลังขออนุญาตนะครับให้พระเจ้ามารับตำแหน่งที่สมควรที่สุดในชีวิตของเราก็คือตำแหน่งเบอร์หนึ่งตำแหน่งที่สูงที่สุดบัลลังแห่งหัวใจของเราบัลลังชีวิตของเราพี่น้องครับ พระเจ้าสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ตําแหน่งนี้ไปครอบครองครับตําแหน่งก็คือบรรลังชีวิตเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าเหนือหัวคําัณฑิษานี้เป็นเวทีที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าครับคำมัณฑิษานี้เหมือนกับเป็นสิ่งที่วิเป็นเหตุการณ์ที่เราจะยอมรับความเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน ความเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับเมื่อเราหันกลับไปดูคําทูลขอคําวิงวอนสามประการแรกตั้งแต่ต้ตตนนะครับตั้งแต่ต้นของคําอธิษฐานของพระเยซูเราพบว่าเราพอจะสรุปคําทูลขอสามประการแรกก็คือการตั้งพระเจ้าในตําแหน่งที่สมควรในสวรรค์ก็ดีในชีวิตในหัวใจของเราบนโลกนี้ก็ดี ทำทุนขอสามประการแรกก็คือเราอธิษฐานว่าขอพระ น, นามของพระองค์ที่จะได้รับการเคารพสักการะสูงสุดที่หลักการแห่งแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงและที่น้มัติไยของพระองค์จะสําเร็จทั้งในสวรรค์และบนโลกคำอธิษฐานสามประการ น, นี้จะสําเร็จบนโลกได้อย่างไงประการแรกก็คือเราอธิษฐานขอพระองค์ประดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าหลวงหลายในการวันนี้ และกำลังขออาหารที่เติตโบโตบนโลกนี้ขออาหารที่เติตโบโตบนโลกนี้เมื่อเราขออาหารเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นต้นกําเนิดของอาหารพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่โปรเซสอาหารและพระเจ้าให้ผลลัพธ์ก็คืออาหารที่กำลังจะเข้าปากเราในเวลานี้เรากำลังนมัสการขอบพระคุณพระนามของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานอาหาร ประจำวันให้กับเรานะครับประการสําคัญต่อไปก็คือเมื่อเราขอเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจาําวันแก่ข้างมุทหลายในการนนี้นั้นเรากําลังขอหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าให้เกิดขึ้นจริงให้เป็นจริงบนโลกนี้โดยการจัดเตรมอาหารโดยผ่านทางการจัดเตรีมอาหารครับพี่น้อง เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นเปนตามพระไทยของพระองค์เรากำลังขอแผนการของพระเจ้าในชีวิตซึ่งคือการทำงานเพื่อได้อาหารนะครับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราก็คือเราจะต้องทำงานครับถ้าเราไม่ทำงานก็อย่าให้เราได้กินพังผืดพูดอย่างนั้นครับถ้าใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องให้เขากินเพราะฉะนั้นการทำงานนะครับจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะได้มาซึ่งอาหาร การทำงานเพื่อจะได้มาซึ่งการปรุงอาหารการกินอาหารเพื่อร่างกายจะแข็งแรงและเรากลับไปทำงานใหม่ได้ครับพี่น้องครับการที่เรากินอาหารและเราทำงานกลับและเรากินอาหารเพื่อที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงกลับไปทำงานใหม่ได้นี่คือน้ำประไทยของพระเจ้าที่จะสำเร็จนี่คือหลักการของแผ่นดินของพระเจ้า เราจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และการแบ่งปันอาหารกับคนอื่นๆที่มีความจำเป็นด้วยครับนี่คือแผ่นดินของพระเจ้าหลักการแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอาธิษฐานขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้ามุงหลายการวันนี้เรากาลังนาพระเจ้าเข้ามานะครับในชีวิตประจำวันในการอยู่รอดของเราและยครั้งนั้นเราต้องยินรนเพื่อการอยู่รอดทำไมเราไม่รับหลักการ ของการอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันเพื่อที่เราจะหยุดการดิ้นรนแต่เราจะมีชีวิตที่มีความเชื่อพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองเรากําลังนําพระเจ้าเข้ามานะครับในเรื่องราวที่เราต่อสู้กับความบาปของเราทุกๆวัน เมื่อไรอังคานว่าขออย่านำข้าพวงเข้าไปการทดลองเรากําลังนําพระเจ้าเข้ามาเพื่อที่จะมีชัยชะวะมีชชัยะนะในชีวิตของเราพี่น้องครับนี่คือคําทูลขอทั้งสามประการแรกนั้นก็จะเกี่ยวโยงกันกันกบคําทูลขอทั้งสามประการหลังตอนนี้เราอยู่ในคําทูลขอที่สี่นะครับก็คือขอพระเจ้าโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงหลายในการละวันนี้พี่น้องครับ เราขออาหารนะครับการขออาหารของเรานั้นก็คือการอนุญาตให้พระเจ้าทรงยกย่องพระองค์เองผ่านทางการตอบสนองความจำเป็นเรากำลังขอให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติและพระสิริพระสงการาศีได้รับการยกย่องผ่านทางการตอบสนองต่อความจำเป็นทางด้านร่างกายด้านอาหารของเรา ขอให้เป็นไปจริงตามนั้นนะครับพี่น้องครับมีความรึกซึ้งมากในคำอธิษฐานตอนนี้อาเมน